ท่านก็หัวดรอ้อท่านก็บอกว่าเขาก็พูดถูกของเขาเนาะอยนี้เราก็ถูกอย่างของเราเนาะองี้มีสติก็มีศีลนะมีสติก็มีสมาธิมีสติก็มีปัญญาขาดสติตัวเดียวนะมันขาดหมดเลยถ้ามีสติก็มีโอกาสพัฒนาศีล ส, สมาธิปัญญาขึ้นมาขาดสติตัวเดียวเนะี้ยจิตจะเป็นอกุศลแ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 พอพุโทโธแล้วกล่าวเขากลับขึ้นมารู้สึกตัวรู้สึกว่าหลวงพ่อจะกลัวว่าหนูจะถลําลงไปใไปใไปอะไรอ่ะไปมองมันนะคะแล้วก็จะคราวนี้มันจะแปลกตรงที่ว่าตัวสัน ต, ติเขาก็ทํางานอยู่ใช่กายเขาก็ยังทําใช่พุโทโธเขาก็ตัวหนึ่งแต่ว่าทุกทุกตัวนะคะมันไม่เกี่ยวกัน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 อ่าถูกแล้วใช่ไหมเ้าคะตอนนี้ถอนถอนออกต้องถอนออกมาไหมเจ้าคะไม่เราเราเห็นแสงสว่างแล้วเราก็เหมือนเห็นโลบโกรดลงเหมือนเห็นสภาวะทำอะไรอย่างนึ่งปกติปกตินะถ้าจิตเราเป็นไงเราก็รู้ทันเหมือนกับสภาวะอันหนึ่งเท่านั้นเองก็บริกรรมต่อไปใช่ไหมเจ้าคะมีมีอยู่ครั้งหนึ่งที่จิตมันบอกออกมาว่าเนี่ยกายเราก็นั่งอยู่จิตเราก็บริกรรมอยู่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 เพราะฉน้เวลาเศร้า ๆ, ๆขึ้นมานะอย่าไปสนใจเรื่องเศร้าว่าจะแก้ยังไงนะดูร่างกายเลยเดี๋ยวมันก็หายเศร้าแล้เพราะร่างกายไม่เคยเศร้าเลยนะขอบคุณค่ะกลาวหลวงพ่อ ค, พ อ, พอครับพอมันมีตัวผู้รู้เกิดขึ้นมันก็มีเราเข้าไปจับอย่างเงี้ยครับอืมพอจับแล้วมันรู้สึกวตัวเองเก่งเออแล้วก็ดีอพอเสร็จแล้วมันมันก็น้อมไปใส่